บางทีก็ตะบะแตกว่าคนที่พูดคุยกันเวลากวาดใบไม้นะก็บ่นว่าใบไม้มันเยอะนะปนไปกวาดไปก็หงุดหงิดไปบางทีก็ต่อว่าเพื่อนหาว่าเพื่อนกินแรงนะไม่ไว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจก็จะ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 มันจะจืดหรือมันจะเค็มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจเราเนี่ยมันเหมือนแก้วแก้วน้ำเล็กๆหรือว่าลําน้ำแก้วกับลาน้านี่มันขนาดมันคนมันคนละคนละขนาดกันเลยนะดัน้นเวลาเราเจออะไรที่ไม่พอใจเนี่ยถ้าว่าเรา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 นะที่แท็กซี่เขาเอามามามาจอดลรายิ่มไม่พอใจวาเนียต้นไม้ของพ่อฉันนะพ่อฉันปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงานะแ ก, ก่ลูกๆนะแต่พอจะคิดอีกมุมหนึ่งนะมองถึงความรู้สึกของแท็กซี่นะว่าเขาคงร้อนนะเขาคงเหนื่อยนะเขาคงหิวด้วยนะ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 คิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่านะหรือว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วนะคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย <c oughs> เวลาใครใครเวลาใครพูดอะไรกับเราแม้เพียงแค่แนะนาเนี่ยเราก็ไม่พอใจแล้วหากว่าเราเนี่ยมีตัวกูของกูเนี่ยสูงหรือว่ามีอัตราสูงนะ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 ขอบคุณที่มาทักท้วงมาแนะนำเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยเห็นทางปรับปรุงงานให้ดีขึ้นถ้าคนที่มีอัตาราตัวตนน้อยเ <shield. S 2> วลามีคนแนะนำหรือแม้แต่ทักท้วงหรือแม้กระทั่งต่อว่าเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ ys, <Gothic. S 1> มันึกว่าเขาว่ากูเขาว่ากู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 มันมองตนนี่ไม่ได้ไหมายความว่าคิดถึงแต่ตัวเองหรือว่าเอาตัวไม่ศูนย์กลางที่จริงถ้ามันมองตนดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้อัตราตัวตนเนี่ยมาครอบงาจิตไม่ได้ทาให้ความเห็นกับตัวเนี่ยน้อยลงพอคนร้อเนี่ยเห็นกับตัวน้อยลงเนี่ยจิตก็แผกกว้างขึ้ น, เ, นเมื่อแผกกว้างก็สามารถที่จะมองหรือนึกถึงคนอื่น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 คนบางคนเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ตัวเองแต่ว่าจิตใจก็สามารถที่จะแผ่ ก, กว้างออกไปได้นถ้าเกิดเขารู้สามารถหรือรู้จักฝึกฝนตนเช่กนการให้ทานนการให้ทานเนี่ยมันก็ถ้าให้ทานถูกให้ทานเป็นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้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 มันก็ทำให้ใจิตใจเราเนี่ยมีเมตตากรุณามากขึ้นเอ็นทานเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องฝึกอย่างหนึ่งทำให้ความเป็นกั่ตัวน้อยลงและตรงนี้แหละเป็นบุญนะคนไปเข้าใจว่าออการให้ทานเนี่ยถ้าทำบ่อยๆจะได้บุญบุญที่ว่าคือโชคลาภความร่ำรวยอันนั้นเนี่ยมัน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 ได้โชคได้ลาบบางทีได้ไปแล้วเนี่ยความเันจกตัวมากขึ้นความยึดติดถือมั่นมากขึ้นแม้จะเสียนิดเสียหน่อยก็ทุกข์นะและถึงไม่เสียก็ยังทุกข์นะเพราะรู้สึกว่ายังได้ยังได้น้อยไปอยากได้มากอยากได้อีกเนี่ยไอ้ความอยากได้มากอยากได้อีกเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจรุ่มร้อนตรงข้าวคนที่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 ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมันก็ต้องมีความพัดพรากเป็นธรรมดาเป็นจกกักรพรรดิเดี๋ยวก็มันก็สักวันหนึ่งมก็ต้องเป็นอย่างอื่นแทนเพราะมันไม่จีรังท่านน้อมจิตนะก็มุ่งนิพพานนะเพราะนิพพานา น, นี่ประเสริฐนะกว่าการเป็นอะไรทั้งสิน้นแม้กระทั่งจกกักรพรรดิการนิพพานเนี่ยจะนิพพานได้มันก็ต้องวางทั้งหมดนะโดยเพราะไอ้ความดิม้นนใน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 นะความพอใจในคู่ครองของตัวนะความซื่อสัตย์สุจริตนะหรือว่าการมีสติเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลไดนะ้ให้เวลาเราพูดถึงการการาความการเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะก็จัดว่าเป็นเรื่องของศีลได้นะและพอเราทำแล้วเนี่ยนะ ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงท่านั่งที่ทีแรกเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะยังเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าไปช่วยไปทำเพราะว่าคนอื่นเขาชวนขัดขัดไม่ได้แต่ทำไปทาไปแล้วเนี่ยจิตใจมันก็เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นมีนักธุรกิจคนหนึ่งแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจตัวมากด่าว่าลูกน้องเป็นประจำ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 นะบางคนก็มีพ่อแม่บุญธรรมมารับตั้งแต่เล็กนะก็โชคดีไปบางคนต้องรอถึงเจ็ดปครบถึงจะมีคนมารับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมในระหว่างที่อยู่บ้านปังเกตก็ต้องการต้องกา ร, การจิตอาสาไปช่วยเพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่พออันนี้ภรรยาของนักธุรกิจคนนี้ก็ไปเป็นจิตอาสาเพราะมีเวลาว่างตอนหลังก็ชวนสามีไปสามีก็ไม่เคยอยากไปหรอกเพราะว่า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 ลุงน้องบอกว่าเจ้านายนิจใจเย็นมากขึ้นนะเจ้านายนีิพูดดีกว่าเดิมนะคือแกน่าท้อกี่คนเนี่ยแกเพราะว่านิสัยแกเปลี่ยนไปเพราะว่าการที่ได้มาดูแลเด็กเวลา ด, ด, ดูแลเด็กเวลาดูแลเด็กนี่ยเด็กเล็กเนี่ยนะเจ้าใจเอาแต่ใจของตัวไม่ได้ก็ต้องนึกถึงเด็กนะบางทีเด็กงอแ ง, งจะไปว่าเด็กก็ไม่ได้นะต้องอดกลั้นเพราะว่าเด็กเขายังเล็ก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 ก็ใจเย็นมากขึ้นจากเดิมที่มองแต่มุมของตัวเองก็มองในมุมของคนอื่นมากขึ้นอันนี้ใจก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือคือความสุขความสุขแต่ก่อนมีอะไรมากระทบนิดหน่อยลุงน้องทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็โกรธแต่ตอนหลังนี่บางทีเจออะไรหนักๆนะเจอเรื่องราวหนักๆนะ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 แล้วมันดีกับใครมันดีกับเราเนะี่ยพะความอิดชา้าความขุนเคืองน้อยลงใจแล้วก็สงบเย็นและความสัมพันธ์ของเรากับเขาก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าเรามีมุทิตาจิตเนะี่ยมุทิตาจิตนี่สำคัญนะเดีย๋ยวนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนอกจากเมตตากรุณาแล้วเนี่ยเราต้องมีมุทิตาจิตด้วยเมตตากรุณานะจำเป็นหรือควรใช้นะในยามที่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 ไม่ว่ามีอะไรมากระทบกับเรานะเราก็สามารถตั้งใจวางจิตเป็นปกติได้อ่าช้านี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับคัะ